พระธรรมเทศนาแผ่นที่90าลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่หกุมภาพันธ์ 2,559 มีชื่อเรื่องว่ารู้ว่าตายแล้วไม่สูนรีบหาบุญเข้าสู่ใจ จะพูดอะไรให้ลูกหลานฟังนนะวันนี้วะลูกหลานอยู่ในความสงบหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรให้ฟังลูกหลานคุยใครคุยกันอ้อออกไปห่างๆช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่จะมาวุ่นวายอยู่ในความสงบนะลูกหลานนะห้ามถ่ายรูปอีกต่างหากถ่ายรูปมันเสียงมันแสงมันเข้าตาหลวก หลงตาหลงพ่อองค์แสดงธรรมพูดไม่เป็นบ้างกันนะเสียสมาธิ อ, อ, อย่าคุยกันหลวงพ่อเองก่อนจะได้มาพบกับลูกหลานหลวงพ่อช่างจิตช่างใจพอแรงนะลูกหลานนะหลวงพ่อไม่ค่อยสบายอายุปูนนี้แล้วจะไปที่ไหนหลวงพ่อต้องคิดแล้วคิดอีกไม่เหมือนพระน้อยพระนม จะไปที่ไหนก็แับไปได้แต่ทุกวันนี้เมื่อท่านบัวบอกไปบอกหลวงพ่อบอกว่าแม่ชเีเขาตายแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อเออเอาเดี๋ยวหลวงหลวงพ่อจะดูสุขภาพร่างกายของหลวงพ่อก่อนนะเพราะว่าสามวันดีสี่วันไข้เหมือนกันคณะนี้ก็เห็นไหมลูกหลาน เวลาหลวงพ่อพูดก็ยังเสียงไอก็ยังมีอยู่เป็นไอมาเกือบสองสามอาทิตยเ์เป็นวัดเป็นไอคนแกน่มันไม่หายง่ายหรอกถึงจะไงมันก็จงติดอยู่ในลําคออยู่สเสล็ดน ะ, เ, ะเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อจะไปที่ไหนกลัวมันจะเป็นภาระกับลูกหลานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลูกหลานหามเฮหน้าเฮหนะเลังหลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก่อนที่จะไปที่ไหนมั่นใจใะจะก่อนจะค่อย มาจะค่อยไปเนี่แหละข่าวนี่ก็คิดว่าวันนี้ก็เห็นว่าเป็นงานอยู่ใกล้ในกลุ่มเดียวกันลูกหลานทางหลายก็คงจะมีให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีในหมู่ในคณะหลวงพ่อกับในฐานะถึงลูกหลานจะไม่ยกให้เป็นหลวงปู่หลวงตาแต่หลวงพ่อก็มีอายุพรรษามากกว่าทุกกองน้องนุ่งทางหลายที่หลวงพ่อมาเนี่ยผมพร้อม กวาดสายตาด้วยแล้วว่าใครที่มีอายุพรรสมากกว่าหลวงพอ่อก็ไม่มีนะหลวงพ่อนี่นอกจากพระพุทธลูกก็มีหลวงพ่อเนี่ย เ, เป็นผู้ใหญ่ได้<笑><笑>ยินแม่ลูกหลานไม่มีแต่พระพุทธลูกแล้หลวงพ่อยกอกราบคารวะสูงสุดน ะ, ะจากนั้นก็มีแต่พระน้องนุ่งนุ่ลูกลูกห ล, ล, ลานๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงขึ้นมาแล้วก็หลวงพ่อได้กราบพระพุทธลูกอยู่ข้างบนเลยล่ะ ลงมานี้หลวงพ่อก็ได้ขึ้นทำมาศเลยเพราะว่าไม่มีองค์ไหนที่มีอายุพรรษาเหนือกว่าถ้ามีอายุพรรษาเหนือกว่าหลวงพ่อก็เท่าไปกราบคารวะท่านก่อนก่อนจะขึ้นทำมาศก่อนที่จะแสดงธรรมอันนี้เป็นกฎธรรมเนียมประเพณีของพระผู้จะแสดงธรรมที่มีอายุพรรษาน้อยกว่านะเี่ยวันนี้หลวงพ่อได้ขึ้นมาบ่นทำมาศแล้วลูกหลานเอาต่อห น, นี้ไปตั้งใจฟังนักที่นี่ไนะ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 ขณะฟังจิตของผู้ฟังใจของผู้ฟังได้ฟังอัดฟังธรรมใจของผู้นั้นก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสอันนี้คืออเนกสงแห่งการฟังสู้สู้สังรัสเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดตรรมะปัญญาปัญปญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญปญาเกิดจากการจินตนาให้คนทบทวนเมื่อเราได้ยินได้ฟัง เรายินได้ฟังหลวงพ่อพูดไปเนี้ยตัวไหนมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนไอ้พวกเรานํามาจินตนาไขขวรพบทวนอีกกว่เาเกิดปัญญาขึ้นมาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อเราได้ยินได้ฟังแนวทางปฏิบัติแล้วเรานําไปพิจารณาไปภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้ว นำจิตใจผ่านความสงบนั่นนะมาพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้เรียกว่าภาวนามย์ปัญญาสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะลูกหลานนะเออต้องอาศัยการศึกษาต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างหลวงพ่อพูดให้ฟังวันนี้กเนะ็เถอะนะเออแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ยินมามากต่อมากครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ถ้าหาว่าไม่มีใครพูดเตองธรรม ะ, ะเลยเออไม่ได้ยินได้ฟังจะเลยมันก็ ห่างเหินไปเรื่อยๆเพราะนั้นเวลาไปในสถานที่อย่างนี้ละ่ะพวกเราก็มารวมมาร่วมมารวมกันแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่จะแสดงธรรมได้ก็นิีมูท่านแสดงธรรมพวกเราทั้งหลายก็ฟังมีเหตุมีผลถ้ามีเหตุมีผลถึงจะเด็กพูดเราก็รับได้ถ้าพูดไปแล้วไม่มีเหตุมีผลถึงจะหัวงอกหัวขาว อายุมากขนาดไหนพันษาสูงขนาดไหนเราก็รับไม่ได้เพื่ออะไรเพราะพูดไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะนั้นการฟังต้องฟังเอาหลักเหตุผลเท่านั้นแะเป็นหลักนะไม่ได้ฟังเอาเสียงใพรระสนอโชนพูด อ, อ, องคนั้นยศถาบรรดาสัสักสูงสงแล้วพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องฟังด้วยหลักเหตุและผลเมื่อเราฟังเหตุผลแล้วเหตุผลเป็นที่ยอมรับ เ, เราก็ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฟังแล้วก็ไม่ใช่ฟังแล้วก็ดีแล้วก็เชื่อเพียงแค่นั้นไม่ใช่นะต้องนำไปปฏิบัติอองในเมื่อฟังแล้วในเมื่อ น, นำไปปฏิบัติเห็นผลจริงๆอย่างที่ท่านพูดเออใช่เนี่ยยอมรับ อ, อ, อย่างพระพุทธเจ้าดูดูก่อนสารีบุตรนะที่เราตถาคตตรัสไปนี่พูดไปนี่เธอเธอเชื่อไหม ยังก่อนพระเจ้าค่เพระข่าพระองค์ยังไม่ได้ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข่าพระองค์นำไปปฏิบัติดูแล้วข่าพระองค์จะมากลับภูนพระพุทธองค์เมื่อภายหลังฮะนี่แหละฟังๆเลยสิหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ฟังไปแล้วก็เชื่อทีเดียวไม่ใช่นะฟังไปแล้วก็นำไปคิดการกรองแล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วได้ผลฮะออ ได้ผลและเป็นผลของใครล่ะไม่ใช่เป็นผลของหลวงพ่อยินนะทีนี้เป็นผลสมบัติเป็นผลประโยชน์ของพวกเราท่านทั้งหลายผู้ดได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติก็เป็นผลของพวกท่านเองหลวงพ่อไม่ได้แบ่งสันปันส่วนแม้แต่น้อยเดียวเป็นสมบัติของพวกท่านเองเมื่อพวกท่านนําไปปฏิบัติแล้วนะ น, นี่แหละอันนี้ก็คือฟังเพราะเราะนั้นเราไปที่ไหนเราต้องจังตั้งใจฟังครูบาอาจารย์เป็นองค์แสดง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 อเนจาวตสังฆาราอุปดาดวะยะธรรมโนอุปชิตตวานิรุสันติเตสังบูปสโมสุขโขขยะวยะธรรมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติติวันนี้เป็นวันสลดสังเวทใจของพวกเรา คณะัทธาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องที่มาร่วมในงานศพของคุณแม่ชีกองศิลเนียมประเสริฐธรรมรณะกุมพาพันธ์พุทธศักราช2559อายุ54ปี2เดือน26วันที่ วัดป่าว่านว่านวังแค่ตําบลนาแคอําเภอนายูอจังงวัดอุดรธานีมีท่านพระอาจารย์บัวเป็นเจ้าอาวาสณนะวัดป่าแห่งนี้แต่วันนี้พระสงฆ์ทั้งหลายคณะชีทั้งหลายที่เป็นกลุ่มชีก็ให้ความสำคัญเพราะชีท่านบวชมานาน มาบวชมาถึงยี่สิบกว่าปาีแล้วก็อายุของท่านก็นเนี่ยห้าสิบสี่ปีบวชมานานแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติท่านก็เก็บไข้ได้ป่วยมานานชีนี้แต่เข้าท่านเจ้าวาดท่านพระอาจารย์บัวก็เคยไปหาหลวงพ่อครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็ได้ฝากไปทางโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแกน่น ก็ข่าวนั่นก็เลยที่ว่าเ อ, อหายขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่หลวงพ่อก็คิดว่าคงจะหายไปละมั่งออแต่พอมาทราบอีกเมื่อาวานวันก่อนนะว่า <c oughs> ชีวัดบางแคได้มรณะลงไปแล้วหลวงพ่อเอ๊ะเป็นชีคนไหนชีคนป่วยนั่นหรือเปล่านะกี่ว่าหายแล้วทําไม <c oughs> ทําไมจึงได้จากไปเพิ่งมาทราบ อีกก็ใช่เป็นคนคนนั้นจริงนี่แหละชีวิตสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลวงพ่อก็เลยพูดในวันนั้นด้วยนะเออในช่วงนี้เจ้าอาวาสวัดนิโรธรังสีบ้านกลางใหญ่ก็ได้มรณภาพลงไปและก็วันต่อมาอีกหลวงพ่ออยู่ที่วัดกระโยมวัดดูแลวัดใส่บาร ท, ทุกวันก็ตายลงไปวันนี้ก็ได้เห็น ได้เห็นชีเออบ้านบางแคก็ามานิมนต์หลวงพ่ออีกอได้มรณะลงไปเออเนี่ยลูกหลานทั้งหลายพระก็ตายเป็นญาติโยมก็ตายเป็นแม่ชีก็ตายเป็น เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าจูจิตเข้าสู่ใจของพวกเรา ถึงพวกเราจะส่องหาทรัพย์เงินคําทรัพย์สมบัติ เ, เป็นร้อยล้านพันล้านก็เถอะนะที่จะมากมากามั่งมีสีสุขขนาดไหนว่ามีเงินคําทรัพย์สมบัติแต่เงินสมเงินคําทรัพย์สมบัติเหล่านั้นส่งเราไปถึงโรงพยาบาลหลวงพ่อเคยพูดนะส่งพวกเราถึงโรงพยาบาลพอไปหายไปหาหมอหมอรักษาเต็มที่แล้วก็กลับมา พอป่วยเอกส่งเข้าไปอเอกแล้วก็กลับมาอีกพอในสุดหลายครั้งต่อหลายหนพอเข้าไปโรงพยาบาลเป็นนอนอยู่โรงพยาบาลหมอรักษาจนสุดความสามารถจากนั้นก็ตายตายในโรงพยาบาลนี่แหละเงินคําทรัพย์สมบัติส่งถึงพวกเราถึงโรงพยาบาลถึงจะมั่งมีร่ํารวยขนาดไหนก็เถอะเงินน่ยส่งถึงโรงพยาบาลแต่ญาติพี่น้อง ที่พวกเรารักขนาดไหนก็รักกันขนาดไหนก็เจะส่งถึงเมนอีกเหมือนกันนี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอีกไม่นานเนี่ยพพวกเราก็จะส่งแม่คุณแม่ชีกองศิล เ, เนียมประเสริฐส่งถึงเมนเอพอส่งถึงเมนแล้วก็ไปวางดอกไม้จันทคุณแม่กองศิลเนย ถ้าว่าท่านข้าวข้าพเจ้าได้ทําอะไรที่ไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาในอดีตปัจจุบันขอให้คุณแม่อโหาสิให้ข้าพเจ้าด้วยให้ฉันด้วยให้ผมด้วยนะแต่คุณแม่กองศีลเหมือนกันได้ประมาทพลาดพังผมหรือฉันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจผมก็ยินดีอโหาสิกรรมให้กับคุณแม่นะ ขอให้ไปดีเนอะไปสู่สุขตีพบเนอะเอออะไรเงี้็คือพอไปเสร็จแล้วก็วางดอกไม้จันโอ้โหสิให้ซึ่งกันและกันจากนั้นก็มานั่งพอมานั่งเสร็จแล้วทนอีกเพดานก็เราก็าไผ่เอาไฟเผาเลยท่เออเผาคุณแม่ออกองศีลเลยทนเนี่ยพอเสร็จแล้วนะคุณแม่กองศีลก็ไปตามลำพังเลยท่าเนี่ยเออเพราะร่างกายถูกเผาแล้ว ก็ต้องว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรซียาคนหรือคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกับบาปที่เราได้สั่งสมมาแล้วนั้นจะเป็นคือเป็นเพื่อนสองของเราถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลบาปก็เข้ามาเป็นเพื่อนสองของเราบาปเนี่ยมันพาไปทางชั่วนะเออทำทาบาปกรรมหนักบาปกรรมตัวนั้น จะพาล็อกล็อกตัวล็อกแขนของตัวเองล็อกดวงใจของตนเองนะไปตกนรกอเวจีมหานรกหลุมลึกๆเนะี่ยถ้าเราทํากรรมหนักถ้าเราทํากรรมเบาก็มีนรกหลายหลุมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนะี่ยถ้าใครทํากรรมหนักอนันตริยกรรมหรือฆ่าคนฆ่าพ่อฆ่าแมเ่เอพอเขาจับได้แล้วพนุ่นนะขอเขอาเอาลงไป เออบางขวางราดยาวนั่นแหะทีนี้เอาไปคุกมืดนั่นแหะเอาไปรักษาอย่างแข็งขันเพราะโทษมันหนักไนงะถ้าโทษไม่หนักเท่าไหร่ก็เนี่ยเอาไปขังอยู่ที่สปตนายงเอ่อขังวันจอกวันสี่ห้าอย็นวันเขาก็ปล่อยออกมาถ้าโทษหนักกว่านั้นเขาเอาไปขังอยู่เมืองอุดร น, นี่แหละอันนี้มันโทษหนักโทษเบาโทษ เ, เมืองผีก็เหมือนกันนั่นแหะเอ่อนรกก็เหมือนกันนั่นแหะเอ่อถ้าหาว่าเอาไปขังทวัตโทษมันมีโทษหนัก จากนั้นก็โทษศีลไหมโทษใ้กรรมตวจใ้กรรมคะแไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทางน้ำเนี่ยอันนี้คือบาปกรรมพาไปเนี่ว่ากรรมชั่วเป็นเพื่อนสองในขณะที่เราออกจากร่างนี่แล้วถ้าว่าเราทำกรรมดีกรรมดีกจะเป็นเพื่อนสองของเราก็จะพาไปสู่สุกติ อย่างน้อยกับไปเกิดเป็นมนุษย์เราไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ด้วยบุญกุศลที่เราเป็นคนดีเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราทำบุญกุศลมากกว่านั้นเองเราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เราเลือกเกิดได้สิเราจะเป็นเกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วเราจะไปเกิดเป็นลูกคนในฐานะไหน เรามีบุญเราไปเลือกเกิดได้แต่ถ้าว่าเราทำบุญมากกว่านั้นเราจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหนภุมะลุขะเทวดาจาตุมตุติตายามาตวติงไปได้ทั้งนั้นตลอด ถ, ถึงไปพรหมโลกถ้าหาว่าคุณแม่กองศีลเนี่ยละกิเลสได้เป็นพระริยะบุคคลเป็นพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหัน ท่านก็ไปตามปฏิของท่านนี่แหละบุญเป็นเพื่อนส อ, อบเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นพวกเราให้มองตัวเจ้าของมองมองตัวพวกเราทุกทุกคนบุญเป็นที่อุ่นใจของเราหรื อ, อยังที่เราเกิดมาถึงปานนี่ละในเมื่อเราตายไปขณะ น, นี้บุญกุศลเพียงพอหรื อ, อยังเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยัง เป็นที่พอใจของเราหรือยังเราจะไม่ตกต่ําใช่ไหมนี่ขณะที่มาท้าว่าเราล้มหายตายจากไปขณะนี้ให้พวกเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองในเมื่อพวกเรามองตัวของเราแล้วโอ้ใช่ข่านะยังขาดตกบกพร่องอยู่ข้าควรจะทําให้เต็มตื่นขึ้นควรจะสังบุญสมสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเนี่แหละ ให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทที่นีออ่ให้เก็บพร้อมรอมรบไปเรื่อยๆเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงถ้าหากว่าพวกเราอยากจะรู้ในเรื่องออบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีทางอื่นไม่มีทางคิดเดาคาดคะเนประมาณการ เรียนรู้แล้วก็จะได้ไม่ใช่เราต้องปฏิบัติเท่านั้นการปฏิบัตินี่ทําอย่างไรในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาคือพวกเรารักเคารพนับถือคือคือสายหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของพวกเราในยุคนี้สมัยนี้ท่านให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่แหละคืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ภาวนากับหลวงพ่อจะไม่อธิบายมากพื้นฐานเบื้องต้นเพราะพวกเราภาวนามาอยู่แล้วแต่ทีนี้เมื่อเราภาวนาจิตใจของเรารวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายร่างกายเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเป็นอย่างหนึ่งหลวงพ่อย้าจุดนี้เสมอ เพราะเหตุใดเพราะว่าเรานั่งภาวนาถ้าจิตใจไม่สงบแล้วมันจะไม่เห็นนะไม่เห็นกายไม่เห็นใจถ้าว่าจิตใจสงบอับเป็นอัปปนาสมาธิแล้วนะเมื่อจิตใจรวมนิ่งนะลงไปแล้วนะ่ะเราจะเห็นได้ด้วยตัวนีว่ากายกับใจร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนะแต่เมื่อร่างกายแตกตาย ไฟเผาทิ้งแต่โซเฟอร์รถออกจากร่างนะออกจากร่างนี้ไปไปเกิดไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าบาปปูนเป็นเพื่อนสองนั่นน่ะนันติดตัวโซเฟอร์นั่นะไปนี่แหละอันนี้ละเมื่อเราทาจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกที่จะไปเกิดนั่นคือดวงวิญ ญ, ญาณคือใจนี่แหละ ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ภาวนาสรุปแล้วอันนี้คือพื้นฐานจากนั้นเมื่อพวกที่เคยภาวนาที่จะเดินทางวิปัสสนาอันนั้นคือทาจิตใจให้สงบระดสมัท tha สมถทคือทาจิตใจให้นิ่งทาจิตใจให้สงบแต่เพียงเราก็รู้รู้อะไรเป็นพื้นฐานแอย่างพระพุทธเจ้าดิเมื่อพระทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง พระ อ, องค์ก็เกิดยาณรัศนะเกิดฌานขึ้นมาว่าปุกเพนิวาสานุจ ต, ติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยอันนี้แหละอันนี้ก็คือเมื่อจิตใจรวมสงบแล้วพระ อ, องค์รำลึกชาติผลหลังได้เป็นมาอย่างไรเราเป็นมาอย่างไรพระ อ, องค์ก็มองอพบชาติของพระพุทธเจ้ายาวเหยียดยแต่ในอดีตชาติจึงมีชานถกห้าร้อชาติพันชาติาไม่ว่าแต่พันชาติเป็นหมื่นเช้นแสน ไม่รู้ว่ากี่อสงไขายกำไรแสนมหากับไม่รู้จะบันทึกลงข้อไหนตรงชาติไหนต่อชาติไหนมากมายมหาศาลทีเดียวถ้าจะบันทึกพบพบชาติของพระพุทธองค์คะ mm. เพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มองดูตนเองเหมือนกันให้ทาจิตใจให้เป็นหนึ่งเอาเถอะเท่นี้เมื่อเรารู้แนวทางของพุทธแล้วแต่ถ้าทำยังไงที่พวกเราจะ ทำให้จิตใจของเรามีความสุขจะไม่ให้ไปเกิดเป็นในภพภูมิต่างๆจะไม่ให้เกิดเป็นไปสัตว์ที่ระชันตกนรกหมกใหม่ถ้าหากว่าพวกเราเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนกิเลสฝ่ายต่ําจะต้องดึงชักลากพกจิตใจของพวกเราไม่พบไรก็ต้องชาติหนึ่งไม่ขณะใดก็ต้องขณะหนึ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูตั้งแต่เราเกิดมาเนีนะ่ยเราเคยทํากรรมชั่ว เออต้องมีทุกคนคิดอย่างน้อยต้องคิดชั่วละออโมโหโกธาขึ้นมานเอ อ, อย่างน้อยก็คิดชั่วทํามากกว่านั้นก็ทำชั่วพูดชั่วทำชั่วเออมันไม่ใช่จะททำดีตลอดไอ้ํำชั่วกรรมชั่ ว, วตัวนั้นแหละจะพาพวกเราไปตกต่าอาจไปตกไปตกนรกออไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าเราคิดดีตลอดออพวกเราก็นะ่ะเป็น ผู้มีบุญกุศลในจิตในใจเราก็พึ่งพาอาศัยตัวเองได้จากนั้นก็พาไปเกิดในเป็นภพภูมิเป็ น, เ, ปน เ, เลือกเกิดได้หรือว่าเป็นคนดีนี่แหละถ้าเราคิดดีตลอดแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคณะท า, าญาติโยมลูกหลานทุกคนให้มองดูตนเองมันไม่ใช่ว่าจะคิดดีอย่างเดียวบางทีมก็คิดชั่วขึ้นมาเพราะกิเลสภายในใจของเรามันมีอยู่เพราะนั้น กรรมชั่วนั่นละ่ะมันพาพวกเราไปตกต่ำกรรมดีพาเราไปสู่สวรรค์เพราะนั้นพระพุทธองคง์ท่านจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าชีวิตของพระองค์มองดูมองดูทางด้านหลังแล้ว เ, เหมือนกับคนโบราณเขาบอกว่าเหมือนนกนกใส่นกนกงอนที่มันเจาะขนตอนออขอนไม้ต้นไม้ เอ่ที่มันเจาะเป็นทําเป็นรูหัวแข็งนกนกหัวขวานเน่ยเวลามันบินข้ามทุ่งนาท้องนาเน่ยมันจะบินแบบกระดกขึ้นกระดกลงกระดกพ้นกระดกลงกระดกขึ้นกระดกลงเหมือนขดพญานาคอย่างนั้นอ่ะเอ่่ยเพราะอะไรเอ่ชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันคะบางทีมันก็สูงขึ้นไปพอสูงขึ้นไปก็ลืมตัวเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นมาแล้วก่อนนั้น ทั้งสุรานารีพาชีกีฬาบัตรทำกรรมชั่วพอทํากรรมชั่วขึ้นมาแล้วมันมันไม่ไปไหนแล้วมันตกต่าพอตกต่ำขึ้นมาก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นนักพจนนะักบวชโอ้ยผู้ค่านี่เกิดมาพบในชาดีหาเงินคําทรัพย์สมบัติยากเหลือเกินอประกอบคุณงามความดีไหวพระรักษาศีลบวชเป็นสมบนเณรบวชเป็นพระเอประกอบคุณงามความดีเกิดพบหน้าชาติหน้าก็สูงขึ้นเอก พออเนกสงุบุญกุศลเกือกูลนุนพอสูงขึ้นไปไปลืมตัวอเอกหลงเอกนี่แหละโลกวัฏสงสารนี่นนพราะพระองค์บอกว่ามันสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนไม่มันไม่สแตนด์ไดไม่ได้นะเพราะกิเลสภายในใจของเรามันลืมตัวหลงลืมตนได้ง่ายเพราะฉนั้นขอให้พวกเราเลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกคนนะนี่แหละจะทํำยังไงจึงจะหมด ชำระกิเลสภายในใจไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารเป็นอนันตาการเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมว่าเป็นมาตรฐาน เ, เป็นมาตรฐานแค่ว่ามันไม่สูงสูงต่ำต่ำ่ะชำระกิละกิเลสตัวกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีตัวนั้นน่ะสาตัวนั่นแหละพาให้จิตใจของเราขึ้นลงสูงสู ง, สงต่ำต่ำลุ่มลุมดอนๆแต่เมื่อเราชำระ กิเลสตัวนั้นใจของเราบริสุทธิ์แล้วนั่นที่นี้จิตใจของเราก็นิ่งจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีตัวมารบ ก, กวนไม่มีตัวไหนมากระเพื่อมนะนี่แหละจากนั้นก็จิตใจบริสุทธิ์ก็เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระหันเมื่อทิ้งขันตัวนี้แล้วกเข้าสู่ปรินิพานและเราจะทำอย่างไงจึงจะทำอย่างนั้นได้นี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ท่านพพทธองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครต้นโพแต่องค์หลวงปู่มั่นของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่ที่หลวงพ่อได้พูดว่าทำจิตใจให้เป็นสมาธิคือกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ า, ห า, ขาหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วเท่นีหรผ่านจากความสงบถอนออกจากมาจากความสงบนะเอออันนี้ก็คือถ้าจะพูดบรรยายให้ฟังมันขณะที่จิตใจเข้าสู่ความสงบบางทีงบางคนบางท่านก็ติดในความสงบอีกเอจิตในความสุขในความสงบก็อยู่ในสมาธิอันนั้นอีกต่างหากอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจะไปติดในสมาธิเนอะทําให้เนิ่นชา่ ให้พวกเราทรําจิตใจให้สงบพอจิตใจผ่านความสงบพอสมควรแล้วให้นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรทางด้านปัญญาออกปัญญาเถิดอันนั้นคือสมททัตทํารจิตใจให้สงบแต่นี้วิปัชนาวิปัชนานีค่คือการคองไตรตองหาเหตุและผลพิจารณาอะไรท่านให้พิจารณากรรมาฐานห้าอย่างพระที่เขามาบวชใหม่ สัมมณเนนก็าตามพระก็าตามท่านให้กรรมฐานห้าขอนนะเกซาให้พิจารณาผมนะโลมาหนาาักข้าทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาย้อนไปย้อนมาให้พิจารณานะคือไม่ให้มันหลงเดี๋ยวนี้ใจของรอนมันหลงร่างกายไม่ใช่หลงอย่างอื่นหลงร่างกายตัวเองนั่นนะเป็นอันดับแรกคือหลงร่างกาย ว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายลึกๆโยงอยู่ในนั้นกินอร่อยนอนหลับได้ของที่ถูกใจได้สามีภรรยาลูกหลานได้เงินคาทรัพย์สมบัติพัฒฐานจริงไหนก็ตามได้มาน่ยหลงลืมสรุปแล้วก็คือหลงร่างกายตัวเองว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นเอ้มันหลงมันห ล, ลงร่างกายเดี๋ยนี้พระพุทธเจ้าดูว่าให้พิจารณาดูนะเกสาโลมานค า, าตันตาตะโจ ก ร, รมฐานห้าไปของไม่เที่ยงนะหรือจะแยกส่วนแบ่งส่วนดูก็ได้เกสาถอนผมสมมตินะเมื่อเขาเมื่อเขาทำแยกแยะอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลอย่างนั้นอนะ่ะเกสาถอนผมไว้กองหนึ่งโลมาถอนถอนผมไว้กองหนึ่งนขานถอดเล็บไว้กองหนึ่งทันตาถอดฟันไว้กองหนึ่งตะโจถลกหนังไว้กองหนึ่งมังสังเนื้อ ช้ำแหลกเนื้อไปกองหนึ่งเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าสัมแลกออกไปเป็นกองกองขึ้นมาสาสิบสองกองเลยเพราะอาการสามสบสองแช่ในร่างกายของเราทีนี้เราถามนะซิว่าผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไหมมันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรใจของเราไปให้ความสําคัญว่า อันนั้นเป็นหนงังอันนั้นเป็นขนอันนั้นเป็นเล็บอันนั้นเป็นตับเป็นปอดเป็นลำไส้ผลในสุดเนี่ยร่างกายของเรานะเป็นอย่างนั้นจริงหมายใจถามใจตัวเองตัวผู้นึกคิดนะ่ยตัวผู้ชำแหละนะอันนั้นเออตัวนึกคิดตัวนั้นล่ะเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะเมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเมื่อพิจารณาชำแหละร่างกายนะแยกแยะร่างกายมันจะเห็นได้ชัดนะคณาจัตตารญาติโยมผ้าเนนลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายนะ แล้วมันจะเห็นได้ชัดเพราะจิตใจของเราเป็นสมาธิแต่ถ้าว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิเ่มันจะมองไม่เห็นนะเออคุมเคือคุมเคือไปเรื่อยล่ะเออเดาเดาไปเรื่อยแต่ถ้าว่าจิตใจที่เป็นสมาธิผ่านความสงบมาแล้วนะเมื่อมาพิจารณาร่างกายจะเห็นได้ชัดพิจารณาอะไรเห็นได้ชัดแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเห็นได้ชัดในเมื่อเห็นร่างกายชัดแล้วเนี่ยมาดูใช่่าใจ ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยอมรับไหมเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วมันก็บอกใช่ยอมรับว่ากายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นและอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายของเราจะต้องถูกเผาไฟทิ้งนะใช่ไหมใจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอย่างที่พวกเราเน่ะ <c oughs> อย่างคุณแม่อีกสักวันหนึ่งอีกสักไม่นานแล้วจะต้องเผาไฟทิ้งใช่ไหมใจก็ต้องยอมรับอีกใช่จะต้องเผาไฟทิ้งทุกคน ไม่มีใครที่จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายไม่มีใครที่จะไม่ถูกฝ่กเอเผาเว้นเจตยตายจะ <c oughs> ตายอย่างอื่นตายหายสาบสูนย์ก็มีอยู่อย่างเครื่องบินตกของอมาเลเซี ย, ยอันนั้นไม่รู้หายตายไปที่ไหนอันนั้นก็ตายมันก็อยู่ในดินนี่แหละอยู่ในโลกนี่ยเราไม่ไปที่ไหนแต่พวกเราท่านทั้งหลายตายไปแล้วนะ่จะต้องถูกเผาไฟถ้าตายอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยนี่แหละร่างกายมันตายมันมั น, ม, นมันเผา ตอนนี้มันมาย้อนถึงตัวผู้รู้คือใจท่านเนี่ยเพราะนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญานะแยกแยะทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายเสร็จแล้วมันย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจนี่แหละตัวนี้แหละสาคัญจะไปเห็นแต่ากายเฉยเฉไม่ได้นะย้อนมาหาตัวผู้รู้คือ น, มนามพระธรรมคือใจร่างกายเนี่เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมใจแต่นี้ก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้ใจใจที่ผ่านความสงบไปแล้วมันมองเห็นใจเลยใจมองใ จ, ใ จ, ง ใ, จใจมองตัวผู้รู้ ผู้รู้ดูผู้รู้ที่นี่ตัวผู้รู้นี่ยมองดูตัวนี้ล่ะมันนึกคิดขยุบยุบขยุบขยุบงกระดุกกระดิกกระดุกกระดกมันก็เห็นได้นี่แหละใจของเราเนี่ยเป็นอนิจจะของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็นึกคิดนู้นเดี๋ยวก็นึกคิดนี้คิดนี้คิดนั้คิดนั้นคิดนี่แต่ละวิถีแต่ละวันแต่ละเวลาบังคับให้อยู่นิ่งไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องมีคิดขึ้นมาจับจับจับจับแยกกีใจอันนี้แหละคืออนิจจง ใจของเราเป็นอนิจจังสิ่งไหนไม่เที่ยง <N> สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็ดอนัตตานะใจนะคือมาพิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจเป็ดอนัตตาใจไม่ใช่เราเจ้าเราไม่ใช่ใจปล่อยวางกระทั่งใจปล่อยวางกระทั่งความนึกคิดในใจอีกตั้งหากนแะหละเมื่อปล่อยความนึกคิดตัวนั้นแล้วเออสิ่งไหนที่มันได้ ทิ้งไหนที่มันรู้เหมือนแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสือเราไม่รู้กอไก่ a b c d แต่เมื่อเรารู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ความไม่รู้มันหายไปไหนมันก็หายไปอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันเมื่อเรารู้แล้วปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วความไม่รู้สุดหลุดพ้นก็อยู่ในจุดนั้นเหมือนกันนะพระเนรลูกหลานคณะสัตยาญาณจงนี่แหละวิธีการภาวนาวิธีการประพฤติปฏิบัตนะิตั้งแต่หลงพ่อไม่อธิบายในรายละเอียดเรื่อง กำหนดลมหายใจครอบบริกรรมพุทธโธมีแต่ว่าให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักเน้นในเรื่องจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วนํามาพิจารณาไตรลักษณ์อันตจางทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นของให้เป็นไปตามสภาพของมันสู่สภาพของมันดินน้ํำลมไฟสู่สภาพของมันอาการ32แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายมันมีอย่างนั้นจริงไหมในร่างกายของเรา ถ้าจิตใจผ่านความสงบแล้วจิตใจจะรู้ได้เห็นเห็นได้ในเรื่องเออเาเรื่องความสงบเพราะฉะนั้นให้พวกคณะัทธายญาติโยมทั้งหลายชีทั้งหลายนะให้ภาวนานะเออพวกเราเกิดมาในโลกนีตายด้วยกันพุกค น, นั่นแหละเนี่ยหลวงพ่ออายุเท่หาไเ่ืปีนี่เออกว่านั้นแล้วลูกหลานนะเออสมวันดีสีวันร้ายเหมือนกันไม่รู้จะอยู่กับลูกหลานไปนานสักเท่าไหร่ นี่แหละชีวิตของพวกเราจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนได้อยา่างไงแม่ชีกองศรีอายุเพียง54าสิบ่ปีก็จากไปเสียแล้วนี่แหละเราจะกําหนดกฎเกณฑ์ได้ยังไงว่าข่าพระเจ้าจะต้องอายุเท่านี้เท่านี้ซะปอนไม่มีใครที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าว่าอเิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง อุปทวยะธรรมิโนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนไปเกิดขึ้นมาแล้วอุปชิตตวานิรุตจันติเนมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเตสังวูปสมโมสุโ ข, ขการปล่อยวางสังขารเป็นสุขแต่พวกเรามันปล่อยวางไม่ได้มันทกอยู่ในกิจในใจนะถ้าการปล่อยวางได้แล้วมันสุขนะแล้วก็ขยะวยธรรมมาสังคาราอันนี้หลวงพ่อได้นำธรรมพุทธ ถ้าวจนะหรือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก่อนจะปรินีพานในวันเดือนหกเพนวันนั้นวันเป็นวาจากครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ว, ว่าขยวัวยะธรรมมาสร้างคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดท่าติขยวัวยธรรมมาสรงคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปัทธขยัยวยธรรมมาสังาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้ก็คือคําสั่งเสียของพระพุทธเจา้าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายให้มองตอนเองเ อ, อย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนประโยชน์ตนประโยชน์ชนตนให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาชําระกิเลสราคะโทสะมโมหะให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสให้หมดไปจากกิเลสออกไปจากตัวเองในเมื่อกิเลสหมดออกจากตนเองแล้วดังนั้นช่วยช่วยประโยชน์ ท่านด้วยเออช่วยเหลือชุมชนสังคมได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แนะนําสัง่งสอนบอกกล่าวเออจะช่วยอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติที่อยู่ด้วยกันอย่านิ่งดูได้เนี่ยแหละพระพุทธเจ้าท่านเมื่อชำระตนเองแล้วประโยชน์ตนก็นจะให้ขาดตกบกพ้องประโยชน์คนอื่นก็จะให้ขาดตกบกพ้องอันนี้เป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สั่งเสียพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราตุกท่านนะเออ เมื่อได้ยินได้ฟังแนวแถวที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเบื้องต้นว่าพวกเราถึงจะมีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนก็ส่งถึงโรงพยาบาลพี่น้องถึงจะรักอชอบพอใจกันขนาดไหนก็ถึงส่งถึงเมนเจากนั้นก็อัตหิอั ต, ตโนนาโถต้นแลเป็นติพึ่งของตนโกหินาโถปรโรติยา คนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของพวกเราทุกคนเองเพราะนั้นพวกเราให้เชื่อกำรรเชื่อผลของกรร ม, รรมเชื่อในบุญเชื่อในบุญกุศลสำหรับตนเองกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นให้พวกเราทำแต่กรรมดีคิดดีทาดีพูดดีจากนั้นก็ให้ภาวนาบริกรรม อยู่ในป่าตรงพงไพ่อยู่ในสถานที่ใดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะให้ตั้งใจภาวนาเป็นพระเป็นสมัมมเนนลูกหลานทั้งหลายให้อยู่ในกรอบในศีลในธรรมให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยหลักพระธรรมวินยัยหลวงปู่มั่นท่านถือจริงๆนะลูกหลานนะให้ศึกษาพอศึกษาแล้วนํามาประพฤติธปฏิบัติท่านบอกว่าขอนอยูงขอนยางนะมันไม่เข้าตาคนมันมาแล้วก็เห็นมันขอนใหญ่ แต่ผงุูีเล็กๆน้อยๆนั่นแหละมันปิวพัดเข้ามาสู่สายตาของเราตาทําให้ตาของเราฟ้าฟางมองไม่เห็นสัจธรรมมองไม่เห็นคุณงามความดีพ่าะอะไรเพราะเราทําผิดอาบัตอาบัตเล็กๆน้อยๆอยสินเล็กๆน้อยๆอยพวกเรามองข้ามเพราะนั้นให้พวกเราอ่านวินัยรู้วินัยแล้วให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าวพวกเราจึงจะเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรส จะเป็นลูกของพระพุธทธเจ้าที่แท้จริงแต่พวกเราเมาบวชก็จริงอยู่ในสีสาโลนกับผ้าเหลืองแต่พวกเราทำออกนอกลูก่นอกทางทำเหมือนกับฆราวาสเขาทำแล้วจะทำยังไงมันไม่ใช่เป็นพระนะทาเนีเป็นฆราวาสก็ไม่ใช่ อ, อย่าเป็นโยมก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรเถอะเป็นอารัชีเป็นพระอารัชีอรัชิตา ผู้ไม่มีชี่ิโหตปะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพระเนนพระลูกพระหลานนะให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราการกล่าวสังเวทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์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 แต่หลวงพ่อมอบให้สมผ่านนะเนอะสมผ่านเพื่นเพื่นได้ใจพ่อ ง, งานของเพิ่อนกันยังจิมีทำบุญนั่นอีกตอนนังอีกนะหลวงพ่อมอบให้เพื่อนแต่หลวงพ่อก็บบ่ยากีอวดต่วว่าเมื่อเพื่นไปนี่หลวงพ่อกับตวายเพื่อนมากหนึ่งหมืน่นมากโมอนอี่หลวงพ่อก็คิดว่าหลวงพ่อก็คิดว่าเอองานเบิ่งเบิ่งมาก เส้นสัทธาญาติโยมมาหลายหลวงพ่อมันนี้เลยถวายอีกสองหามือนเนี่ยวันนี้นะหามือนบาให้ร่วมกับมืนน 6, มมนนอนเป็นหกมื0นมาร่วมเด่นอีกเป็นแปดมืน่ยหลวงพ่อถวายเพิ่นนะไอ้เพิ่นในไสในงานเพิ่นนะลูกหลานนะ